เป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเปิดที่เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าความจริงของสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นโลก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 ที่เราได้ยินได้ฟังหรือ ร, ร, รู้มานั้นเป็นแต่เพียงรู้ด้วยสัญญาว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายแต่มันยั ง, ยงไม่ซึง้งถึงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น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 ให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเริ่มต้นแต่ว่าทราทร ม, มุมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะกลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้ทยาที่ท ร, ร ม, มุมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทร ม, มุมหิเรามีความตายเป็นธรรมดา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 และอีกอันหนึ่งนั้นคือธรรมะคสมาสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคําสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้น เราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุ ณ, ณธรรมอันเป็นภา พ, พื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลท้า อันเป็นศีลที่คาววดโดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีล <c oughs> ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญศีลสิบศีลแปศีลสิบศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดก็รวมลงอยู่ในศีลห้าข้อ <c oughs> จะเป็นผู้ใดก็าตาม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 ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเห็นนางพีสาขามาหาอุบาสิกาท่านนาธาบินเดกัสติเิกามาหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองย้าวลคลองเลือนแล้วก็มีศีลเพียงห้าข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุกปปสดาบัน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 กมจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจา <c oughs> เช่นอย่างปาณาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิชาจารเว้นจากการรล้พกผิดในกามมุสาวาดพูดเทศ โซราตื่มของเหมือนเมาถ้าใครสมทานรักษาสีนห้าข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้จะว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปการรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดสีนห้าข้อเท่านั้น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 เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีลห้าเท่านั้นทีนี้คาวาดโดยทั่วไปมีแต่เพียงศีลห้าเว้นจากการฆ่าสัตว์และกั ร, รประพฤติผิดในการมุสาวาดแต่เล็กเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูการ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 แต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไหนแบบใดจึงจะได้ผลดีบางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพอ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำอย่างไร ม, ม, ม, มีอุบายวิธีใดบ้างที่จะทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาตมาก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้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 แล้วให้มารวมอยู่กับคำบิกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ <c oughs> ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาตจจมาจะได้นำแบบพิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมาฐานมาในเทศที่วัดเบนจะมปาบอพิษ พอได้เทศให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วการนอาจารย์สาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนตอนที่หนึ่งท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุโทโธตอนที่สองสอนให้พิจารณาอสุภะกรรมฐานตอนที่สามสอนให้พิจรารณาธาตุกรรมฐาน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 ก็มากำหนดจิตนึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธคำเดียวใครจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโทรพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหาการนึกพุทพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออก จังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไปจิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรูลมหายใจเสียเนืกอพุโทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายเนื้อเกี่ยวอย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรเจตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรเจตจะสว่างไม่ต้องนึ้ หน้าที่ของท่านมีแต่เลิกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการขมจิตอย่าให้มีอาการเก่ง็งกล้ามเนื้อต่า ง, างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุโทโธให้สบายสบายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุโทโธเอาพุโทโธไว้ที่จิต เอาจิตไว้ที่พุทโธในเมื่อเราในเมื่อเราเนึกพุทโธพุทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุทโธนึกออยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไปในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่า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 การบริกรรมภาวนา <c oughs>